เช้าวันนี้ก็เป็นการให้อารมณ์ปฏิบัติเช้านึ่งตอนเย็นก็สอบอารมณ์ปกติแต่พรุ่งนี้เช้าจะเป็นการเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะเก็บอารมณ์ทุกกลุ่มทุกคนตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าครั้งนี้เพื่อให้ใหเห็นกระบวนการการพัฒนาการของเราว่าตั้งแต่แรก คนเก่าพัฒนาอย่างไรคนใหม่คนเก่าในระดับกลุ่มสองพัฒนาอย่างไรคนใหม่กลุ่มหนึ่งพัฒนาอย่างไรคนใหม่กลุ่มสองพัฒนาอย่างไรตามลาดับทั้งนี้เพื่อเห็นหพัฒนาการที่เราตั้งใจว่าเรามีศรัทธาที่จะติดตามศึกษาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะต้องเน้นศรัทธาและความเพียรด้วยนะนอกจากที่จะอยากจะศึกษาแต่ศรัทธาและความเพียรเราไม่มั่นคงก็ายากที่จะได้ผลซึ่งศรัทธาได้กล่าวไปวันก่อนแล้วว่าศรัทธาเชื่อการกระทำของเราเองเชื่อผลของการกระทำเชื่อผลที่มีแก่ตนเองที่พิสูจน์ได้แล้วก็หลักการทั้งหมดนั้นต้องรวมมาจาก การแตสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาตั้งคิดตั้งทฤษฎีใหม่อะไรที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้แล้วเราก็พยายามทำให้ใกล้เคียงหรือให้มากที่สุดนะใยการใช้สติปัญญาของแต่ละคนช่วยกันอันนี้ก็คือศรัทธาที่เราเน้นความเพียรก็เหมือนกันความเพียรก็คือจะต้องพีสีฐานกัน ว่าเราอะไรที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดสมุทัยเนี่ยต้องระมัดระวังเช่นเราขณะนี้เราเน้นว่าความเพลินความเผลอเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดสมุทัยหลายๆตัวเราก็ระวังระวังระวังนี้ไม่ใช่ให้มันเกิดระวังอย่าให้มันมากที่จะไปก่อให้เป็นสมุทัยในตัวอื่น ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดเรื่องเกิดการดับนะให้การเกิดและการดับสมดุลกันเราระวังตรงที่ความไม่สมดุลไม่ใช่บังคับมาให้เกิดไม่ให้ดับแต่ระวังการเกิดการดับที่มันเกินสมดุลนั่นความเพียรประการที่หนึ่งระวังในส่วนใดก็ตามที่จะเป็นก่อให้เกิดตัวเกินพอดีหรือเกินที่ไม่เป็นมัชชิมาประการที่สองถ้าตัวใดตัวหนึ่ง มันเกินเราต้องแก้ไขและจัดการออกทันทีปรับให้มันมาสมดุลทันทีนี่ความเพียนประการที่สองความเพียนประการที่สามก็คือพยายามกระตุ้นพลังของสติสัญญาเนี่ยให้ชัดเจนไว้ส ม, ม่ำเสม อ, อมประการที่สี่เมื่อมีความชัดเจนกำลังของสติสัญญะมีความชัดเจนแล้วต้อง พยายามดํารงไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นี่เพียนอย่างนี้ที่เราเพียนเพี้ยนกันเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยหลักสีประการนี้ถ้าเพียนไปยกมือใช้สร้างอย่างว่าเดินจงกรมไปแต่ว่าไม่คํานึงถึงหลักสีประการนี้เลยเพียนนั้นอาจจะไม่มีผลอไม่มีผลเท่าที่ควรไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นความก้าวหน้าและจะมาโทษครูบาอาจารย์โทษวิธีการว่ามันไม่ดีเนี่ยมไม่ได้แต่อยู่ที่เราว่าได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ไหมนะศรัทธาและความเพียรจึงเป็นเบื้องต้นที่สุดที่เราจะต้องพิสูจน์ว่าเรามีจริงเรามั่นใจแค่ไหนในใ น, ในหลักการเพราะคำสอนของพระเจ้าท่านตรัสรู้มาโดยชอบแล้วก็ละเอียดอ่อนสุขุมลึกซึ้งเราจะมาทำกันเล่นๆหลอกๆมันเสียเวลานะนนเราจะต้องอเช็คอยู่เสมอศรัทธาเรา เชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองไหมแล้วการกระทำมีผลเห็นชัดไหมแล้วผลนั้นปรากฏแก่ตนเป็นลบเป็นบวกและเทียบเคียงกับหลักที่พยเจาตรัสซูมาตรงกันไหมนี่ศรัทธาอันนี้ความเพียรก็เช่นนนแล้วมติระวังในส่วนที่ในส่วนเกินของการเกิดและการดับ อ, อย่าให้เกน แต่ระวังไม่ให้เกิดไม่ได้แต่ระวังให้มันสมดุลเช่นความตื่นกับความเพลินความหนักกับความเบาให้มันสมดุลกันเมื่อระวังแล้วระวังอีกมันก็ยังหรือเพราะมันเป็นกฎของการดับและการเสื่อมสิ้นมันจงปรากฏเกิดแล้วก็ต้องดับเราก็อย่าให้มันดับนานจนเกินถ้ามันเกินอะไรหนึ่งตัดจัดการทันที ความเพียรของเราและเราก็ไม่ใช่ว่าพอยที่จะ <c oughs> ระวังหรือตัดอย่างเดียวต้องกระตุ้นกําลังแห่งการระวังและการตัดให้คมชัดอยู่เสมอประการที่สี่ก็คือเมื่อกําลังนั้นมันเข้มแข็งดีแล้วก็พยายามดํารงรักษาไว้ให้นานนี่นิยามของศรัทธาและความเพียรที่เราต้องปฏิบัติมีอยู่เท่านี้มันไม่เป็นศรัทธาทั่วไปอย่างที่เราเคย ลับทราบมันไม่ได้เป็นความเพียนเพียนเพียนไปทำไปอย่างที่เราเคยทำต้องปรับตรงนั้นใหม่ทีนี้ในช่วงเช้านี้จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกับการเกิดและการดับมันสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้จำเป็นต้องมี ตัวบทเข้ามาอ้างอิงด้วยป้องกันการมัว่วนะตัวบทเนี่ยอาจจะเป็นภาษาบาลีแต่ก็รับทราบว่ามันเป็นตัวบทเราบอกว่าปริยัติเยอะเกินไปเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เพราะมันเป็นหลักเราจะเรียนบวกลบคูณหารไม่มีตัวเลขจะไปบวกลบคูณหารอะไรอ่นะเหมือนกันเราจะเรียนถึงสภาวะถ้าไม่มีสมมติ ตัวเป็นตัวชี้บอกสภาวะนั้นก็ไม่มีที่ไปที่มาาังนั้นในการนำเสนอเนี่ยเราพยายามจะให้ยึดโยงถึงปัจจุบันขณะให้มากที่สุดถ้าหลุดจากปัจจุบันขณะมันก็ไม่ใช่หลักที่จะเป็นวิปัสสนาไปได้เราจะอ้างหลักสมมติปรมาัติไปลึกไปไกลแค่ไหนก็ตามต้องยึดโยงในส่วนที่เป็นปัจจุบันที่สัมผัสได้เสมอ เราจะไม่สับสนได้บอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดความายุ่งยากสับสนในกายในใจก็ดีต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ที่มันยังไม่เกิดอะไรเนี่ยให้เสมอเหมือนกแก้วน้ำหรือผ้าชนะที่เรามันสกปรกยุ่งเหยิงด้วยข้าบผายต่างๆเนี่ยเมื่อเราจะใช้เราตั้งต้นใหม่เสมอคือต้องนำมาล้างให้สะอาด น, นการ ต, ตั้งต้นใหม่คือการชําระล้างให้สะอาดนั่นเองไม่ว่าภาชนะนั้นมันจะใส่อะไรมานานเท่าไหร่เราจะใช้มันเนี่ยถ้าไม่ตั้งต้นใหม่ที่ความสะอาดมันใช้ไม่ได้ดงนั้นปัจจุบันการจิตที่อยู่ปัจจุบันคือไปการชําระจิตให้ตั้งต้นใหม่เสมอตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นของเรานะไม่ว่าทางรูปหรือทางนามนะ ทีนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดการดับเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างไรเนีเอมันไม่ซื่อนี่ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจอย่างไรถ้าหากว่าเราไปแก้ไข ดังนั้นเองเราก็จะต้องเอาตัวเกิดตัวดับเนี่ยนนมันเตรมก็อย่าไปถ่ายไปเทออกเราจะทำความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นนะตัวปัจจุบันตัวปัจจุบันเกิดจากอะไรตัวนี้ตัวปัจจุบันที่สัมผัสได้เกิดจากอะไรเช่นความหนักนุ่ง ที่เรานั่งมาเป็นชั่วโมงเนี่ยเราขยับไปหลายครั้งเพื่ออะไรเพื่อบาบัดในส่วนเกินของเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาในส่วนกายเนี่ยมันขาดมันเกินอยู่เป็นปกติของมันมันไม่เคยพอดีเพราะอะไรเพราะมันไปตามกดของไตรลักษณ์ <c oughs> นะเบาบางครั้งมันขาดมันเกิน เป็นความเผินหนักมันขาดแล้วมันเกินเป็นความเครียดนี่ความหนักของการความหนักเบาของของเวทนาเนี่ยความหนักเราสมมุติว่าปเป็นเกิดถ้าเกิดมากๆ ม, ม, ม, มันเครียดระดับมากๆมันหย่อนยานนะเพราะฉะนั้นตัวรับรู้ต่อการตรือนการหย่อนที่เกิดขึ้นในรูปของเราเนี่ยนั่นคือปัจจุบันขณะ แต่ถ้าเมื่อไรเรามีการตึงการหย่อนหรือการหยุดการเคลื่อนอยู่จริงเราไม่ได้ไปรับรู้ตรงนั้นมันก็ไม่ได้เป็นปัจจุบันธรรมมันเป็นโมหะธรรมคือความเขาเรียกวาาวิชาสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่กันด้วยอานาจอันนี้นะทีนี้เราเมื่อเราได้มาศึกษาคำสอนของผู้ทีเจ้าแล้วท่านผู้รู้ท่านเน้นเห็นว่าถ้าจิตกลับมารับรู้ต่อการ เกิดการดักการเคลื่อนการไหวของที่มันเป็นไปตามกฎของใจรักเนี่ยมันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวซึ่งมันตรงข้ามกับอวิชชาที่ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวซึ่งสัพจัดทั้งหลายที่อยู่ด้วยมายอำนาจอันนั้นเราทั้งหลายได้แต่หนักถึงพิษภัยและความโทษของมันของอวิชชาเราจึงวขวนขวายที่จะมาศึกษาอย่างเนี้ยด้วยมีศรัทธาและความเพียรเป็นหลัก อเมื่อเรามาขนควายมาศึกษาแล้วเราก็จะต้องทําให้มันตรงเป้าหมายให้มันถูกต้อง <c oughs> แต่มันไม่ถูกต้องไม่ตรงเป้าหมายแล้วมันก็เสียเวลานะแล้วก็อไม่ได้ไปอยู่อะไรดังนั้นในจุดนี้ที่มาเคยพิสูจน์ทดสอบมาระยะเวลาค่อนข้า ง, งยาวนานเนี่ยมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นค่อยศึกษาคอย บำบัดขัดเกลามาเรื่อยๆก็ได้เห็นว่ามันก็ไม่ใช่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวแต่อาศัยศรัทธาและความเพียรอย่างสูงยิ่งมันถึงจะเป็นไปได้และศรัทธาและความเพียร น, นั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับปัญญาถ้าศรัทธาและความเพียร น, นั้นไม่มีปัญญาเป็นตัวประกอบศรัทธาและความเพียรก็นำไปสู่ความผิดพลาดและ ง, งมงายได้ง่ายเหมือนกันแต่ตัวปัญญาต้องคอยตรวจสอบ และตัวปัญญานี้เกิดจากอะไรก็เกิดมาจากการสร้างตัวรู้ที่เป็นสติสัมยาขึ้นมามันจะไปสร้างสติปัญญาอีกทีหนึ่งไอ้ตัวรู้ที่เราเกิดนี่เกิดจากอะไรก็เกิดการตระหนักรู้ในความเปลี่ยนแปลงของกฎตรายักษ์เมื่อเข้าไปตระหนักรู้การทํางานของกฎตรายักษ์ตรงนี้เองเป็นการเริ่มต้นของการภาวนา ภาวนาไปว่าพัฒนาตัวรู้ที่มันเป็นสันชาตยานให้มันเป็นปัญญายาณถ้าเราไม่พัฒนาตัวนั้นมันก็ไม่เรียกว่าภาวนานะคือมาเพิ่มเมื่อก่อนเราเคยใช้ไฟตะเกียงไฟแสงเทียนไฟใต้ไฟจุดจากไม้จากคอนจาก อ, าอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่กระแสไฟฟ้านั่นคือเป็นเหมือนกับ แสงสว่างที่เป็นสัญชาติยานมันใช้ชั่วคราวไม่เสถียรไม่คงที่นั่นคือตัวรู้แบบสัญชาติยานเอาไปใช้ชั่วคราวแต่เมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเขาก็พัฒนาจากแสงสว่างให้มันเสถียรขึ้นหาแหล่งพลังงานที่มันคงที่มากขึ้นก็พัฒนามาเป็นไฟฟ้า <c oughs> ในตระกูลต่าง ให้มีเสถียรคงที่และมีกำลังที่ไม่หมดมากขึ้นเช่นเดียวกันพุทธธรรมพัฒนามาสองสามพันปีเนี่ยเรามีการสังคายนามีการศึกษามีการสืบทอดมาตลอดอพระอารียบเจ้าชั้นหลังท่านก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาพัฒนาสันชัญาณให้เป็นปัญญาปัญญายานที่พระเจ้าตรัสรู้ก็โดยการมาเพิ่มความชัดเจนขึ้น นั่นเองการที่เราจะเห็นความสัมพันธ์ของการเกิดและการดับดูเหมือนว่าเป็นกิริยาของจิตเราก็มาขยายความสัมพันธ์ระหว่างการหยุดกับการเคลื่อนมันสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าพูดถึงการหยุดกับการเคลื่อนหมายถึงกิริยาของรูปนะแล้วการหนักการเบาเราพูดกิริยาของนามที่เป็นเวทนา รู้สึกหนักเป็นอย่างนี้สึกเบาเป็นอย่างนี้เ <c oughs> วทนาเป็นตัวรู้พอไปเป็นอาการเกิดดับเป็นกิริยาของจิตเป็นกิริยาของอารมณ์ละดังนั้นเองมันขึงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วว่าเราจะต้องมาเรียนรู้ความหนักของเบาคือกิริยาของกายเรียกว่ากายานุปัสสนาคือตามรู้ตามเห็น <c oughs> การเคลื่อนการไหวการไปการมาซึ่งเป็นกิริยาประจำสังขารประจำรูปเนี่ยตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวส่วนใดก็ส่วนหนึ่งโดยการมีการมีตั้งเจตนาเข้าไปรู้อาการเคลื่อนอาการไหวเหล่านี้เรื่อยๆที่นี้พูดถึงว่าการหยุดกับการเคลื่อนมัน เราต้องมองความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวที่เป็นรูปธรรมนี้ให้ชัดก่อนถึงจะไปมองทุกความสัมพันธ์ของการเกิดดับของจิตและอารมณ์ได้แล้วการหยุดกับการเคลื่อนมันสัมพันธ์กันอย่างเช่นเราเดินถ้าไม่มีการหยุดก็ก้กาวไปไม่ได้ถ้าไม่มีการก้าวก็หยุดไม่ได้เพราะนั้นการก้าวการหยุดเกิดจากอะไระเคยศึกษาสังเกตเคยตามดูไหมว่า หยุดอาการเป็นอย่างไรก้าอาการเป็นอย่างไรการที่เข้าไปตามดูอาการของรูปให้เห็นชัดๆเนี่ยมันก็เอเกิดอาการตัวรู้ขึ้นมาแล้วการตามรู้แล้วก็ยิ่งรู้ขึ้นไปเรื่อยๆว่าเออเวลาหยุดมันมีอาการนิ่งและหนักเวลาก้ามันมีอาการเคลื่อนและเบารู้อาการนิ่งหนักและเคลื่อนเบาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตัวอง ค, ความรู้ที่เกิดขึ้นตรงนี้เลยว่าสติและสมาธินี่ทีนี้ถามว่าเพราะเหตุอะไรจึงมีการหยุดและการเคลื่อนเพราะการหยุดเป็นอาการของการดับและการเคลื่อนเป็นอาการของการเกิดถ้ากลับกันอาการเคลื่อนเป็นอาการของการดับการหยุดเป็นอาการของการเกิด ท่านะนใช้สองคำว่าใช้จุติกับอุบัติจุติจุติแปลว่าเคลื่อนแปลว่าคล้อยแปลว่าดับคำว่าอุบัติแปลว่าเกิดขึ้นปรากฏนี่เพราะนั้นสองตัวเนี่ยระหว่างเคลื่อนกับหยุดจึงเป็นปัจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันนะความสัมพันธ์ ถ้ามีการเกิดขึ้นมันก็จะต้องมีการเคลื่อนตามกฎของอนิจจังนีการเกิดและการเคลื่อนนั้นมันก็จะต้องเป็นพลังอันหนึ่งหรือพลังของอนิจจังและพลังของอนิจจังนี้พลังนี้ก็ต้องดับตามกฎของมันและการดับให้นึกถึงถึงความอ่กากที่เราติดไฟ แล้วก็ดับไฟนะติดไฟขึ้นมันมีแสงสวาง่างถ้าเป็นไฟฟืนเวลาดับมันเป็นยังไงมันก็จะมีขเมเหามีควันมีทานเป็นส่วนเหลือแต่ส่วนเกิดเราก็จะเห็นปรากฏเป็นความร้อนและแสงสว่างส่วนดับมาเราก็จะเห็นขเมเหลาและควันและฐาน หรือเราจุดเทียนไขเวลาเกิดเราเห็นแสงสว่างเวลาดับเราเห็นขมเมาควันและเห็นซากของการเผาไหม้ของมันฉันใดก็ดีการเกิดและการดับอันเป็นกฎของอนิจจงเนี่ยมันเป็นกฎของพลังงานอย่างหนึ่งการเคลื่อนตัวของพลังงานซึ่งมันมีมาแต่ปฐมบรมกับตั้งโลกนั่นแหละมันจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ไม่รู้เนืึกมันมีการดับ มันก็จะต้องมีขยะมีความเสื่อมปรากฏการเกิดและการดับของอนิจจังขมเอและควรส่วนเหลือซากของมันก็คือทุกขงังเพราะฉะนั้นหรือเราจะเห็นง่ายง่ายรถเมื่อได้สตาร์ทเนี่ยเราไม่เห็นนึกขมเอวควนออกมาพอสตาร์ทปั๊บมันมีการเกิดและการดับของมันเราเห็นขมเอวควนปรากฏใ น, นการดับึงเป็นความเสื่อมสลาย ความแปลปูนการเสรื่อมสลายของขมานั้นเพราะฉะนั้นตัวอนัตตาก็สรุปได้ว่าทั้งขบวนการอนิจจังและทุกขังเป็นขบวนการที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นขบวนการของการเคลื่อนไหวทําปฏิกิริยาการเกินดับเท่านั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็นกฎของจักรวาลเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดขึ้นว่าการ หยุดและการเคลื่อนนั้นเป็นปฏิกิริยาของการเกิดดับของพลังงานภายในเราจะไปควบคุมอะไรมันไม่ได้แต่ว่าเราจะปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องเท่านั้นเองปฏิบัติต่อมันถูกต้องก็คือประคับประคองการเคลื่อนนี้ให้ปลอดภัยให้ได้ประโยชน์การที่เข้าไปควบคุมตัวนี้เราจึงมีความรู้อยู่สองระดับระดับสัญชตาตญาณเข้าไปควบคุมใช้เป็นครั้งครั้ง โดยที่ไม่รู้ที่ไปที่มาระดับที่สองเมื่อเกิดผู้รู้เกิดขึ้นได้เห็นผลของการทำงานของระดับความรู้ที่เป็นสันทตยา น, นั้นมันควบคุมได้ด้านเดียวคือด้านเกิดมันควบคุมการดับไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมาศึกษาว่าเมืม่อมีการเกิดแล้วมันก็จะมีการดับท่านก็ศึกษาไปเจเห็นการดับ การได้เห็นทั้งเกิดระดับชัดเจนนี่เองเรียกว่าเป็นปัญญาญาณเรียกว่ายานปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาการแรกของพุทธองค์ที่มีคนรับรู้และเข้าใจและกล่าวสรุปไว้คนแรกคือท่านอน ญ, ญากาาุธัญญะที่ว่ายังกินจิสมุทิยะทั้มัง่งสัพพันตังนิโรธธรรมมัง่งก็ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้น้มันก็ต้องดับเห็น เมื่อก่อนรู้ว่ามันมีแต่การเกิดและเห็นการดับด้วยว่ามันดับอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจคุณแรกที่สุดและยืนยันการตัดสิริของพุริยา ว, ว่ามีจริงก็คือท่านกนุลธัญญาอันเองยังกินจีสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมนติเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เริ่มต้นตรงนี้เลยเริ่มต้นตรงที่ว่ามันมีการเคลื่อนและการหยุดตลอดเวลา เราจึงอาศัยนิมิตทางการเคลื่อนและการหยุดของอวิวะน้อยใหญ่ทั้งที่เป็นอิบุตใหญ่อิบุต ย, ย่อยเป็นนิมิตของการภาวนาเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเป็นตัวเริ่มต้นก่อนเพื่อที่จะตัดตอนการทำงานของสติหรือตัวรู้แบบสัญชตาตญาณซึ่งมันไหลแบบแบบไม่มีขั้นตอนไม่มีที่หยุดเป็น เพราะนั้นคเข้าไปตัดตอนก็คือตั้งตั้งเจตนาตั้งเจตนาเข้าไปเบรกการขบวนการการลื่นไหลของอนิจจังรนี้ให้หยุดเป็นช่วงๆไปเพราะนั้นการเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้นเป็นองค์ของภาวนาที่นักวิทยาศาสตร์ปรู้จดมายค้นพบถึงระบบดิจิตอลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลทีและขณะมันไม่ใช่ไหลลื่นเป็นเส้นสายอย่างที่เคยเข้าใจกัน ทีละขณะคือคำว่าขณะปัจจุบันจึงเกิดขึ้นขณะหนึ่งปัจจุบันขณะหนึ่งก็ท่อนหนึ่งขณะหนึ่งก็ท่อนหนึ่งท่อนไหนที่ผ่านไปแล้วนะับว่าเป็นอดีต ท, ท่อไหนที่ยังไหลเข้ามาเป็นอนาคตช่วงที่กําลังปรากฏอยู่เป็นปัจจุบันการมีเจตนาเข้าไปรู้ช่วงเชื่อมต่อของอดีตและปัจจุบันนั้นอดีตและอนาคตเรียกว่าปัจจุบันตรงนี้เองก่อให้การเกิดการตระหนักรู้ที่เรียกว่า สัมปชัญญะและปัญญาเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถตัดแกะแสของอวิชาได้เพราะฉะนั้นเองการตั้งสติและตั้งเจตนาบ่อยๆนั้นจึงมีส่วนที่จะทำให้เราตัดแกะแสได้ง่ายที่พระองค์ได้ทำสั ญ, ญลักษณ์ครั้งแรกที่ท่านเห็นอันนี้ก็คือ ตรงที่ท่านอธิฐานออกบวชแล้วตัดผมตัดพระเกศาพระเมลีกล่าวกันว่าตามบทกล่าวว่าท่านอธิษฐานตัดแล้วตัดพระเมลีที่จะเสด็จออกบรรพชาและพระเมลีลิเกพระเกศาที่ถูกตัดแล้วไม่งอกขึ้นอีกเลย <c oughs> เหลืออยู่แค่สององค์คุรีโดยตลอดนั่นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่า เมื่อเรามีดาบแห่งปัญญาเข้าไปตัดขณะแห่งการเกิดและการดับมันจะเหลืออยู่แค่สององค์คุรีคือเหลือรูปกับนามเหลือแต่เกิดกับดับตลอดเวลาถ้าหากว่าจิตเราพ้นจากการปรุงแต่งแล้วสติก็มารับรู้แค่รูปนามปัจจุบันเท่านั้นนั่นคือเป็นสนัญลักษณ์ของการตัดกระแสเพราะนั้นทุกอย่างมันมีหลักฐานรับรองอยู่ตามประวัติซึ่งเราจะตี ความหมายตีรหัสนั้นออกหรือไม่เท่านั้นเองเพราะนั้นเราจะไปคิดให้ยุ่งยากสับสนว่าอะไรเป็นอะไรต้องกลับมาตั้งต้นใหม่แล้วค่อยลําดับไปส่วนลําดับจะได้ลึกละเอียดแค่ไหนเนะี่ยขึ้นอยู่กับญาณปัญญาของแต่ละคนแต่คําว่าญาณปัญญานี้อย่าคิดว่าเป็นการนึกคิดติดต้องคาดคะเนี๊ตามหลักของปรัชญาหรือกิตติวิยาแต่ต้องเป็นการตระหนักรู้ ประจักษ์แจ้งลักษณะเอ็นไลท์ไม่ใช่เป็นฟิโลสอฟีหรือไซโค o โลจีเป็นลักษณะเอ l i ไลท์คือเห็นสว่างเป็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรที่ปรากฏนะที่ปรากฏชัดในขณะนั้นนั้นเพราะนั้นตัวปรากฏชัดในขณะนั้นเนอเอ็ไลท์่มาจากคำว่าปัญญาเราใช้คำว่ารู้ชัดรู้แจ้ง ซึ่งปัญญาแปลว่าปรากฏชัดที่เราสวดธรรมวัตเช้าทำชะไหนเนาะการทำที่สุดแห่งกองทุกนี้จะพึงปรากฏชัดเกวรสัตวทุกข์ ข, ขั้นทัสสะอันตัเกิยาปัญญาเยทาติปัญญาเยทาที่ปรากฏชัดไม่ได้แปลว่ารู้รอบรู้ลึ ก, ล ก, ลกรู้กว้างรู้ขวางอะไรแต่เป็นการเห็นสภาวะปรากฏชัดนั่นแหละเป็นปัญญาโลกุตระนี่ เช่นขณะนี้เรานั่งอะไรปรากฏชัดในตัวเราบ้างการที่เราเข้าไปตามรู้ตามดูให้เห็นสภาวะต่างๆที่ปรากฏในกายในใจโดยสัมผัสจากตัวรู้ไม่ใช่นึกคิดดิงโดนเดาจากสภาวะที่ปรากฏแล้วจิตเข้าไปสัมผัสอาการนั้นๆ <c oughs> นั่นคือฉันใช้คำว่าโลกุตาลปัญญาทำงานแล้วนะเรามาแปลว่าการแปลว่าโพี่ปัญญา เรียกว่าการตัดสรุ้หรือการรู้หรือการเข้าไปรู้ให้ชัดถ้าว่ามันพัฒนาการระดับสูงขึ้นไปนะดังนั้นการตั้งเจตนามันเป็นเรื่องธรรมดามา ก, มากๆทีท่คนมันมีอยู่แล้วแต่ทำไมจึงไม่ทำบ่อยๆเพราะว่ามันขาดตัวตั้งสตินั่งี้ ตั้งสติตั้งเจตนาและสติที่เราตั้งแต่ละครั้งนะ่ะมันมีสองลักษณะเช่นเราตั้งใจทํางานนะตั้งใจทําอะไรทุกอย่างด้วยความตั้งใจเพราะฉะนั้นความตั้งใจก็จะมีสองลักษณะลักษณะที่เป็นวิชาและลักษณะที่เป็นอวิชาเช่นข้าพเจ้าตั้งใจที่จะทําสิ่งนี้ ตั้งใจลักขโมยตั้งใจที่จะเอาเปรียบเพื่อนตั้งใจที่จะคิดไม่ดีต่อ ค, คนนั้นคนนี้ก็ใช้ความตั้งใจเหมือนกันตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนโดยถ่ายเดียวและเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นก็ใช้ความตั้งใจทําเหมือนกันตั้งใจที่จะเบียดเบียนทําร้ายคนก็เป็นการตั้งใจทํานี่เขาเรียกตั้งใจด้วยอํานาจของอวิชชาหรือเราง่วงเหงาเรา ไม่ได้ตั้งใจที่จะดูมันเราไปกับความง่วงเหงาแน่นอนเป็นการตั้งใจของอวิชชาเป็นการรู้แบบอวิชชาจะนําไปสู่นิวรณ์เราแก้ไม่เป็นด้วยเพราะไม่มีศรัทธาที่จะแก้ไม่มีความเพียรที่จะแก้มันก็จะง่วงเหงาอยู่อย่างนั้นแก้ไม่ตกตรงนี้เขาเรียกโมหะครอบจนกระทั่งมันเป็นนิสัยสันดานยากที่จะแก้และจะเป็นโมฆะเป็นอภพิภาพาบุคคลไปเลยเนี่ยคือส่วนที่มันเป็นบาป ตอ น, นั้นเราต้องกลัวในจุดเนี้ถ้าเราไม่กลัวในจุดนี้เราก็จะไม่ตระหนักรู้ที่เจตนาที่จะแก้เราต้องเปลี่ยนเจตนาให้เป็นวิชาให้ได้คือเจตนาอย่างที่จะปรับที่จะแก้ในส่วนที่มันไม่ถูกให้มันถูกอยู่เสมออย่าขี้เกียจส่วนหนึ่งที่อวิชามันเข้าความเคยชินมันเข้าควา ม, มงงเหงาหงำเข้ามันเกิดจากการโกสัจฉะแปลว่าขี้เกียจแต่ความขี้เกียจนี้มันกลายเป็นนิสัย แล้วนี่จะแก้ยากะจะต้องกระตุ้นตนเองให้เกิดอ่าวิทยะคือเพียนเสมอเพื่อที่จะแก้อะไรที่มันไปสู่ร่องรอยเดิมแล้วมันก่อให้เกิดความเพลินความเผลอข้อย่าทําในสิ่งนั้นถ้าทำในสิ่งนั้นมันก็เหมือนเดิมมันก็เพลินเหมือนเดิมมาแหละแก้ไม่ตกใช่ไหมคุณนิดาอ่ตั้งตัวตรง ต, รงตรงหายใจลึกๆมองหน้าหลวงพ่อเอาไว้ น, นั่นเองเราจะต้องมาตรวจสอบเสมอว่าศรัทธาและความเพียรเราเข้มแข็งแค่ไหนถ้าเราไม่ตระหนักตรวจสอบตรงนี้มันก็เหมือนเดิมอะล่องลอยลงไปที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราจะหวังความก้าวหน้าการปฏิบัติไม่ได้แล้วเลยไปโทษขบว่าอาจารย์ไปโทษวิธีการมันไม่ได้แต่เรามาโทษความไม่รู้ของตัวเองเนี่ยโทษโมหะว่ามีโทษมาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้มาคิดพบปีชาติ และจะต้องเวียนว่ายใจเกิดไปอีกนานเท่าใดถ้าเราไม่แก้ไขมันน ะ, นะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้นะทีนี้ต่อมามาดูความสัมพันธ์ในระดับต่อมาว่าเมื่อตัวหยุดและตัวเคลื่อนตัวไหวตัวหนักตัวเบาถ้าเรามีเจตนาเข้าไปรู้ทุกครั้งมันเปลี่ยนเป็นองค์ของภาวนาคือตัวรู้ที่เป็นสติสัมปชัญญะ แล้วจะทำยังไงต่อไปก็ต้องดูไปเรื่อยๆเจตนาตั้งใจไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะกฎของอ น, นิจจ์มันเขาทำงานเข้ามนตลอดเวลาเราก็ตั้งสติตั้งเจตนาตลอดเวลาที่จะเข้าไปแก้ตรงนี้เองเราจะไม่จะต้องมีความเพียรอย่างสูงยิ่งที่ฉันใช้คาว่าริยะประมัตถารามีบาเพ็ญวิริยะบารามี บางคนต้องการเป็นพระโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมีอันนั้นอันนี้แต่ความจริงเนี่ยเป็นการสับสนการค่อยเๆบําเพ็ญพุทธภูมิแล้แต่ความจริงก็คือการมาบําเพ็ญตัวรู้เนี่ยนะให้มันเกิดตัวรู้อย่างต่อเนื่องเป็นวิระบารมีวิระอุปปารมีวิระปรมัตถธบาร ม, วรารมีว่าความเพียรที่จะแก้ไขตัวเองมันได้ระดับต่ำระดับกลางระดับสูงสุดแล้วทําได้ระดับไหนนะ ไม่ได้ความอดทนต่ อ, อสิ่งที่เกิดอดทนต่อสิ่งที่ระดับธรรมดาอ ด, อดทนโดยระดับกลางและอดทนอย่างสูงสุดอดทนอย่างไรอดทนต่อควา ม, มง่วงความเหงาที่ไม่ให้มันง่วมัเหงาอดทนต่อความเพลินไม่ให้มันเพลินเนี่ยต้องใช้ระดับไหนของความเพียรระดับไหนของความอดทนถ้าเราไม่ตรั ก, กรู้ไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาใช้สิ่งเหล่านี้ถูกต้องมันเคเวียนว่ายได้เกิดอยู่กับมันอยู่เนี่ยตลอด เดี๋ยวงงโด่งเาเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวขีียจเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวอึดอัดเดี๋ยวพอดฆ่เดี๋ยวสงสัยมันก็วนไปวนมาอย่างนี้ไม่ไปไน็นไะอ่ะเสร็จแล้วอชีวิตของเราผ่านไปทุกวันวันโดยที่องค์ความรู้เหล่านี้ไม่พัฒนาเราจะไปพัฒนาตัวเองได้อย่างไรนะจะทําอะไรมันก็ไปไม่ดอด้มันก็ติดอยู่แค่นั้นเราต้องมาแก้่ตามองค์ของ สมมาวายมะคือต้องแก้ต้องประหารออกในส่วนที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยแล้วประหารนประทานเอาตัวตัดเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานของเรื่องอสังวนประทานเอาตัวระมัดระวังขึ้นมาเป็นหลักว่าอะไรมันกำลังเกิดระมัดระวังไม่ให้มันเกิดแล้วอาการกคียาเก่าเก่าที่เคยทําแล้วมันแก้ไขไม่ได้ก็อย่าทำเปลี่ยนอาการคียาใหม่ๆขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ เราต้องตอกย้ำกันบ่อยๆเพราะกิเลสมันดื้อด้านกิเลสมันมึนน่ะนะถ้าหากว่าเราไม่ไม่เอากรรมมาจริงมที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่พัฒนานะทนีต่อมาถ้าเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเคลื่อนกับหยุดในการเดินก็ดีและเรานั่งอยู่ที่เราเห็นอาการหนักของกายก็ดี ถ้าเห็นอานการหนักแล้วมันง่วงแล้วก็ลุกขึ้นยืนอะ่ะไม่ใช่ยากอะไรใช่ไหมก็เปลี่ยนในบทเป็นยืนเดินเล่นสักพักแล้วมันไม่เสียหายเลยไม่เสียหายแล้วเรื่องอะไรจะมานันงอกแงะงกแงะให้ง่วงอยู่ยงั้นอ่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ไม่พัฒนาแล้วก็จะไปติดแต่เราติดความสบายตรงนี้เองที่ว่าเป็นอาสวะกามาสวะนะซึ่งมันถอนยากมาก การมาสวะแต่ว่าไม่มีทางอื่นเลยนะต้องใช้กำลังของศรัทธาและความเพียรโดยประการเดียวนะนี่เมื่อเราสื่อได้กับความหนักความเบาเราก็มีการขยับทดสอบมันเลยนะไม่ต้องไปซึมไปซื่อไปกดไปทับมันทดสอบนะอะไรที่เป็นอุปสรรคทดสอบแล้วทดสอบอีกอ๋อเวลาขยับ มันเบาขึ้นมานิดหนึง่งเอาเวลานิ่งเอามันหนักสังเกตซ้ำซากอยู่เนี้เออเวลามันแช่มันง่วงมันเพลินก็ตื่นขึ้นมาอีกนี่เขาเรียกว่าใช่องค์ส ม, มาวายามะเข้ามาแก้ไขให้ชัดเจนอย่ากเกิดมาณทิฐิอย่ากเกิดความโอดดื้อทือดีขึ้นมาพยายามที่จะปรับอย่างจริงจังและจริงใจกับตัวเองเราทําไม่ใช่เพราะเพื่อเชื่อขอู่อาจารย์ไม่ได้ทําเพื่อ เชื่อผู้ทีเจ้าแต่เชื่อในความเป็นมนุษย์ของเราเองว่าเราจะทําได้นะเราจะไม่เป็นอ ภ, าภาัพะหรือเป็นโมฆะบุคคลเราต้องแก้ไขจุดนี้ให้ตกนะเสร็จแล้วเมื่อเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหนักกับเบาของกายเคลื่อนกับไหวของกายชํานาญแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนระดับลงไปไปดูการหนักกันเบาของเวทนาการเคลื่อนการไหวของเวทนามันออกมาในรูปไหน ออกมาในรูปของเย็นกระรอนอ่อนกับแข็งคล่งกับยานกับย่อนอตึงยอ่อนผ่อนคลายเห็นความสัมพันธ์ของเวทนาที่เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่หรอเนี้ยสบายไม่สบายชอบไม่ชอบมันลึกเข้าไปลึกเข้าไปมันจะเป็นคู่อย่างเงี้ยกินเข้าไป แต่การที่จะเข้าไปดูได้ละเอียดนั้นเราไม่ใช่นึกเปรียบเทียบเอาเองแต่ให้มันเห็นประจักษ์ตรงนี้ต้องจำไว้ให้ดีเลยว่าต้องไม่ใช่เป็นการนึกคิดโดนเดาแต่ต้องเป็นการเห็นประจักษ์สภาวะชัดๆขึ้นในในใจของตัวเองนะมันถึงจะเป็นองค์ของวิปัสสนาแต่ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยมาก็คือถูกให้แนะนำในเรื่องการพยายาิจารณาการวิเคราะห์วิจัยการเข้าไปเปรียบเทียบ อะไรต่างๆมันก็กลายเป็นตัวสังขารหมดแม้จะเป็นเรื่องดีก็ตามก็เรียกว่าเป็นปุญญาพิสังขารไม่ต้องพูดถึงเรื่องไม่ดีฉนั้นถ้ากลับมาต้นต้นรัง ต, ต, ต้นใหม่เราไม่ใช้สังขารและเราใช้ญาณปัญญาคือประจักษ์และญาณปัญญาก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ไปรู้อะไรที่มันลึกลับพิสดารแต่มันได้รู้ความละเอียดของรูปของเวทนาของจิตของอารมณ์ตามลาดับ ถ้าเราดูคดูดูระดับหยาบเข้าไปก่อนปรากฏชัดกลางไป็ไงสื่อได้ไหมละเอียดเป็นไงสื่อได้ไหมถ้ามันซื่อยังไม่ได้มาตั้งต้นดูใหม่ถ้ามันไปยังไม่ได้ซักซ้อมอย่างนี้เหมือนตอกหลักอตอนแรกตอกหลักดินมันอ่อนก็นดูมันจะเข้าไวอาตอกลงไปเรื่อยเือมันชักช้าลงช้าลง ดินลึกลงไปเจอชั้นดินที่แข็งเจอชั้นดินที่เป็นอิฐเป็นหินเป็นดานยิ่งช้าลงไปอีกเพราะนัความตั้งใจและความมีพลังในการตอกต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีถ้ายิ่งไอตอนที่ตอกหลักเข้าไปมันอ่อ น, ออนๆก็รู้สึกว่าขยันแต่ผมไปเจอแข็งเข้าแข็งเข้าชักลาชักเหนื่อย เราก็ต้องพิจารณาใช้วิธีการละที่นี่จะทำไงให้มันลุกลึกลงไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการค้นคว้าสิ่งที่อยู่ใต้ดินแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเทคโนโลยีมันสูงขึ้นการค้นคว้าสิ่งใต้ดินที่ลึกลงไปเช่นแร่ต่างๆจนถึงน้ํามันเนี่ยมันก็ไม่ใช้ใช้หลักดอกธรรมดาแล้วมันใช้กลไกในการหมุนในการปัน่นในการเจาะลงไปหล่ ร้อยหลายพันเมตรได้ชั้นใดสภาวะทำสมัยก่อนที่เราใช้หลักของสมถะการเพง่งการกดการทับเหมือนการตอกหลักแต่ต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ค้นพบหลักของวิปัสสนามันก็เหมือนได้พบกลไกพิเศษเช่นเราใช้การปัน่นการหมุนของกลไกสามารถลึกเข้าไปลึกลงไปหลายร้อยหลายพันเมตรได้ชั้นใดก็ดีเมื่อเราได้พบเทคโนโลยีใหม่ ของพุทธธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็นํามาใช้ด้วยการใช้ยานปัญญาตัวนี้นยเปลี่ยนจากที่มันเป็นหลักสมถะมาเป็นวิปั ส, สนาใช้กลไกตั้งแต่แรกเลยนั่นหมายความว่าการใช้กลไกจะต้องมีความละเอียดความถีท่ทวนมีการเตรียมการไม่ใช่แค่เอาหลักมาเล่เาๆแล้วจบตอกลงไปเลยมันจะต้องมีการเตรียมการการเรียนรู้ เทคนโลยีในการใช้เครื่องมือต่างๆอย่างไรแต่เราถึงการผลิตเครื่องดนกลไกหัวดอกหัวเพชรอะไรต่างจะหมุนอย่างไรเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบทฤษฎีนี้มันเจาะได้ทั้งแนวขวางแนวลาบแนวตั้งเจาะได้หมดเช่นอุโมงค์บ่อน้ำมันมันเจาะได้หมดฉันใดก็ดีถ้าหากเรามาพัฒนายานปัญญาในลักษณะวิปัสนาเนี่ยเราสามารถที่เจาะ ทะลุทั้งในส่วนที่เป็นระดับแนวนอนและแนวตั้งเกี่ระดับแนวนอนเรียว่าเจาะเป็นลักษณะของสมถะต่อระดับแนวตั้งแนวลึกเป็นของปัสศนามันก็จะมีความสะดวกต่างกันนะถ้าแนวนอนเราก็ทําให้การเข้าไปรู้อะไรที่เป็นแนวนอนได้เช่นใช้อุโมงค์ทะลุปลูกเขาหลายๆลูกซึ่งถ้าไม่ใช้เครื่องมือมันทำไม่ได้เลยนะ แนวตั้งเช่นเราขุดบอ่อลึกๆขุดบอ่อบาดาลขุดน้ำมันถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือก็เป็นไปไม่ได้เลยในแง่ของวิปัสสนาญาณท่านแบ่งถึงเป็นสิบหกขั้นนะที่จะเข้ามาเจาะเนี่ยที่ขั้นแรกที่ใช้ว่านา ม, มารูปปฏิเชษทยานที่กำหนดตามรู้ในส่วนที่เป็นความคิดและอารมณ์เลยแต่ในขั้นของรูปนามเนี่ยเราแค่ใช้สมถาก็ได้ละ เพราะนั้นตัวสมถาวิปัสนาคู่กันตรงที่ว่าเรามาใช้สติสในระดับรูมนามเป็นสมถะและมีส่วนวิปัสนาตามมาด้วยแต่ถ้าเป็นสมถาร้วนๆที่ไม่มีส่วนวิปัสนาอยู่เลยไม่ใช่สมถะแบบวิธีพุทธเป็นสมถะแบบวิธีอื่นมันจะออกมาเป็นเรื่องอื่นมันไม่ใช่ออกมาเป็นเรื่องของญาณปัญญาเนี่ย ดังนั้นเมื่อเราเห็นการเกิดดับระดับรูประดับเวทนาก็ต้องซักซ้อมให้ชัดเจนการซักซ้อมในระดับรูปกับเวทนาเนี่ยเป็นส่วนของสมรรคห้าสิบเอร์เซนแล้วและบางครั้งเมื่อมีความคิดและอารมณ์ปรากฏเราก็เข้าไปรับรู้การเกิดดับของมันเป็นส่วนของวิปัสสนานะ แล้วก็สัดส่วนของวิปัสนาถ้าเราชำนาญในสัดส่วนของสมถะคือตามรู้การเคลื่อนการไหวการเกิดการดับของรกายกับเวทนาได้ชำนาญมากขึ้นเท่าไรเท่าไรมันก็จะชำนาญแล้วก็เป็นเองรู้ที่เป็นเองเรียกว่ารู้รูปนามที่มันเป็นเองขั้นปรมัตบงต้นละเมื่อก่อนเราต้องคอยประคับประคองคอยกำหนดคอยจดจ้อมันถึงจะรู้ แต่พอเราชำนาญมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นไปเองเช่นเราขับรถใหม่ๆเราต้องคอยกากับคอยนึกคอยคิดคอยเก๊กังๆไปก่อนจนเราขับมาหลายเดือนหลายปีเข้าพอเราขึ้นนั่งรถปั๊บเนี่ยเราไม่ได้นึกไม่ได้ใช้ความคิดเลยมือเท้ามันไปเป็นไปเองว่าอะไรอยู่ตรงไหนเราก็ขับไปเองนั่นความเป็นเองของด้านวัตถุเรื่องยังสัมผัสได้โดยที่ไม่ใช้ความคิดเลยตรงนี้เขาเรียกยานปัญญา ที่มันเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดแต่ถ้ายังใช้ความคิดใช้การกาหนดอยู่ก็เป็นสมถะอยู่สัดส่วนอยู่เรื่องที่ว่าไอ้ความเป็นไปเองเนี่ยชัดเจนและรวดเร็เวแค่ไหนให้ความเป็นไปเองชัดเจนรวดเร็เวไม่ผิดพลาดตรงนั้นก็หมายถึงญาณปัญญาที่เข้มแข็งขึ้นแต่ในบางครั้งเรายังผิดพลาดยังหลงลืมได้อยู่นั่นก็มีส่วนสมถะผสมอยู่นะ ดังนั้นเองในจุดนี้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเราเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเพราะมันมีหลักของรูปธรรมเป็นตัวเทียบอยู่มันมั่วไม่ได้นะดังนั้นเองเวลาเราทําการยกมือก็ดีสร้างจังหวะก็ดีถ้าเราเป็นเพียงสังเกตเนี่ยมันจะไม่ตึงไม่เครียดไม่เกร็งไม่ปวดหัวไม่เบื่อไม่เบื อ, ม, บอมันจะเกิดความโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นเรื่อยๆถ้าทําถูก ถ้าทาผิดมันที่เกิดกันหนักกันหน่วงกันกดทับกันไม่สบายกันตึงเครียดขึ้นมานั่นให้รู้ว่ามันผิดละต้องถอยกลับมาตั้งต้นใหม่อย่ากลัวเสียเวลาในการตั้งต้นใหม่นะร้องพยายามตั้งต้นใหม่เสมอเพราะอะไรเพราะว่ากฎของอานิจังมันกดของความยุ่งเหยิงโลกนั้มันเกิดเพราะความยุ่งเหยิงของกดอานิจังมันไม่มีระเบียบในตัวของมัน เหมือนฝนตกเนี่ยน้ําจะไหลไปทางไหนแล้วมันไม่มีระเบียบแต่พอมีการตระหนักรู้ของนักวิทยาศาสตร์ขึ้นจัดระเบียบของน้ําได้เป็นประโยชน์จัดระเบียบให้ไปอยู่ในเขื่อนในแทงในถังใ น, อ, งในอ่างในหนองอะไรน้ําก็คือประโยชน์ขึ้นชั้นใดก็ดีความคิดที่มันมาไม่เป็นเรื่องเป็นราวยุ่งเหยิง และความรู้สึกส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนี่ก็ยุ่งเหยิงไม่รู้อะไรเป็นอะไรการที่เรามาเจริญสติเจริญปัญญาก็เพื่อมาจัดระเบียบจัดระเบียบทางกายได้แล้วก่ากายานุปัสสนาเราก็สามารถลําดับความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันเปในช่องในแนวที่เราต้องการเราไม่ทําแบบสเปซสะปะเหมือนกับแบบสรรค์ชัตติยานถ้าเรา ยังอยู่ในสันทัตยาณก็ยังสเปด ส, สป่าเหมือนเดิมอยากจะลุกตรงไหนก็ลุกอยากจะไปตรงไหนก็ไปอยากจะนั่งอย่างไรก็นั่งอยากจะนอนอย่ากน็อากนอนไม่มีระเบียบแต่พอเราจเจริญสติสมรยามากขึ้นเราเริ่มจัดระเบียบในการยืนในการเดินในการนั่งรู้จักกาลเทศะที่จะยืนเดินนั่งนอนเมื่ อ, อไรเวลาใดประโยชน์มันคืออะไรลักษณะการเข้าไปจัดระเบียบนี้เป็นองค์ของทางกายและทางเวทนาอย่างเป็นองค์ของสมถะอยู่ แต่จิตเป็นผู้เข้ามาจัดก็มีวิปัสนาเข้าไปทํางานร่วมด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นโดดเดี่ยวโดดใครตัวมันเพราะฉนั้นเมื่อเราจัดระเบียบทางกายซึ่งมันมีเรื่องที่หลากหลายที่จัดระเบียบตั้งแต่หัวถึงเท้ามีเยอะแยะไปหมดการที่เราเข้าไปเพียนเพื่อจัดระเบียบเหล่าเนี้ยองค์ธทมของศีลก็เกิดขึ้นศีลคือการจัดระเบียบทางกายและวาจา นี่สติสัมยะที่เข้าไปจัดระเบียบกายได้ถูกต้องมันเป็นองค์ของศีลศีลคือความเรียบร้อยทางกายทางวาจาเพราะได้รับการจัดระเบียบทีต่อมาเมื่อเราชำนาญในการจัดระเบียบกายเป็นมันก็เกิดองค์สมาธิคือการจัดระเบียบทางเวทนาและจิตเรียกว่าสมาธิ ก็มีสติสมญยะที่ตั้งมั่นระดับหนึ่งเนี่ยเข้าไปจัดระเบียบว่าเวทนาระดับนี้หนักระดับนี้จัดยังไงเวทนาเบาเกินไปมันไม่เป็นระเบียบทาให้เกิดการเพลินความชินความง่วงความเงาจัดระเบียบใหม่ให้มันจะระเบียบให้ไมเกิดการตื่นรู้ร่างกายนั่งหนักๆนาน ๆ, ๆไปมันหนักมั น, นง่วงมันท้วงมันทับเกิดชาเกิดมึนเกิดหนัก มันไม่เป็นระเบียบจะระเบียบใหม่คือมีการผ่อนคลายปรับให้มันพอดีมันจะไม่ง่วงไม่เหงาไม่เพลินซึ่งตรงเนี้ยตัวสมาธิก็เริ่มเกิดสมาธิที่ประกอบด้วยสติสัมยะเรียกว่าสมาสมาธิแต่ว่าหากความตั้งใจแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็กิดไปเกิดความเพลินเป็นมิจฉาสมาธิก็สลับการทํางานอย่างนี้ตลอดระหว่างมิจฉาสมาธิกับสมาสธิขึ้นอยู่กับว่าตัวสติสัมยาเนี่ยได้ตามคอย รู้เท่าทันมากน้อยแค่ไหนถ้าสติสม ญ, ญาตามไม่ทันเป็นมิจฉาสมาธิถ้าสติสม ญ, ญาติที่ถูกต้องตามไปทันเป็นสมาสมาธิเสรับปันเกิดกันดับนี้ตลอดเวลาการที่เข้าไปเอาใจใส่ดูแลจัดการตรงนี้เรียกว่าเป็นสมาสมาธิเป็นสมาธิเกิดขึ้นละการจัดระเบียบทางเวทนาทางกายทางเวทนาทางจิตและตัวจิตเองตัวความคิดเองจัดระเบียบตรงนี้ได้ ก็เกิดความตั้งมั่นจิตไม่วอกแวกวันไหวไปสายแส่สายไปกับอารมณ์ต่างๆเรียกว่าสมาฮิตนะแล้วก็จิตก็จะผ่องใสไม่มีอารมณ์มาแปดเปื่นได้ง่ายเป็นปริสุทธแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรอย่างรวดเร็วชัดเจนและถูกต้องเป็นกรรมนิโยนี่คือนิยามของคำว่าสมาสมาธิไม่มีคาว่าสงบไม่มีคาว่าหนักแน่นลึกซึ้งอะไรไมันมีคาว่า ของใสตั้งมั่นและก็ว่องไวเท่านั้นเองฉับพลันทันการเนี่ยคือจัดระเบียบทางจิตต่อมาเมื่อเราจัดระเบียบตรงนี้จนคุ้นเคยจนชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็เกิดตัวปัญญาเพราะนันการเจริญนี้ก็ตัวปัญญาคือการจัดระเบียบทางอารมณ์ซึ่งเมื่อก่อนมันสเปสปะอยากคิดอะไรก็คิดอยากจะนึกอะไรก็นึกอะไรมากระทบในทางดีก็ ดีใจอะไรบางทุกทางไม่ดีก็ไม่พอใจแล้วแต่มันจะเป็นไปตามเหตุของของมันเพราะมีการจัดระเบียบเป็นฉันชาติยานแต่พอเราจัดระเบียบตามระเบับท า, ทางกายเวทนาทางจิตเข้ามาถึงระดับนี้ตัวทักษะที่เกิดจากการจัดระเบียบทางกายทางเวทนาทางจิตมันเกิดเป็นประสบการณ์ที่จะไปจัดระเบียบทางอารมณ์ซึ่งเป็นส่วนยอดของมันการจัดระเบียบทางกายเหมือนเสมือนเราหล่อเทียนขึ้นเป็นเล่มเล่มหนึ่งอ่า ซึ่งเมื่อก่อนขี้เทียนไม่รูอยู่ที่ไหนไม่รู้เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่เทียนเรามาจัดระเบียบหล่อขึ้นมาเป็นเล่มจัดระเบียบในระดับกายและและในระดับของเวทนาเทียนนั้นเราก่อมาเพื่ออะไรทำไงจะให้จุดติดต้องมีไส้ในต้องมีไฟแช็คจุดเข้าไปีจัดระเบียบทางเวทนาทางจิตละ แล้วจุดเข้าไปมันเกิดแสงเกิดแสงสว่างและแสงสว่างนี้ก็ไม่เที่ยงมันจะต้องเป็นไปตามกฎของการเปลี่ยนแปลงอาจจะลมพัดดับบ้างลมแรงบ้างลมค่อยไม่สเสถียรเราก็มีการจัดระเบียบแสงให้มันสเสถียรเสื่ใหม่โดยการใช้อะไรมาบังมาครอบมันมันก็สเสถียรนะชั้นใดก็ดีการจัดระเบียบทางอากายเรียกว่าศีล การจัดระเบียบทางเวทานาและจิตเรียกว่าสมาธิการจัดระเบียบทางอารมณ์เรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นในสรรชาตยานที่มันเกิดเพราะตรลักษ์เนี่ยเรามาจัดระเบียบสมัาเป็นปัญญายานตัวปัญญายามันก็สร้างเป็นไตรซีขาเป็นศีลเสมวิปัญญาด้ยลักษณะนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องละเอยียดซับซ้อนเกินไปขึ้นอยู่กับว่าเราสื่อ กับสภาวะณปัจจุบันเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องรู้เรื่องของลำดับเหล่านี้ก็ได้แต่ว่ามันจะเห็นเองเข้าใจเองโดยไม่ต้องไปรู้เรื่องของสมมติคำพูดเหล่านี้ก็ได้เพียงแต่ว่าตามรู้ตามดูเห็นอาการต่างๆตั้งแต่หัวจุดเท้าอย่างสม่าเสมอมันจะมีความผืบ้างก็ต้องกลับเนื้อกับตัวให้ไว เผอพูดเผลอทำเผลอคิดมีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นกฎของการเกิดดับแต่การเข้าไปจัดการมันได้รวดเร็วนั้นมันหมายถึงองค์ประกอบทางศีลทางสมัมธัสปัญญาได้ฝึกฝนมาดีแล้วแต่ขณะที่เรายังฝึกฝนยังไม่ดีแล้วก็พยายามใช้ศรัทธาและความเพียรให้มากขึ้นเข้ามาทดแทนและศรัทธาและความเพียรที่เข้มแข็งขึ้นมันก็จะไปทาให้ตัวสติสมัมธปัญญามีกาลังการจัดระเบียบกัน เข้าที่เขาถางได้รวเดียวขึ้นนะทบทวนอยู่แค่นี้เพราะนั้นเองเรามีวัตถุดิบและมีอุปกรณ์อย่างมากมายในตัวของเราในใจของเราเนี่ยแต่ว่าเราจะจัดจับมันได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องพิสูจน์ศรัทธาและความเพียรของเราด้วยและศรัทธาและความเพียรที่เองมันจะเป็นตัวแปลให้เกิดตัวศีลสัสมพธิปัญญาโดยไม่ยากนะแล้วนั้นเองเราเห็นคุณค่าของชีวิต จิตใจเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลพระพุทธเจ้าท่านเห็นในคุณค่าของการเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์แล้วเนี่ยท่านจึงตัดสินใจที่จะบอกเรื่องเหล่านี้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะเป็นเมตตาหรือไม่เพราะเห็นประโยชน์ว่าตายขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยทั้งทั้งที่ว่าภพชาติของความเป็นวิวเป็นภพชาติที่ไปเสด็จเป็นอุดมภเพศแต่ทําไมปล่อยให้มันเกิดแก่เจ็บตายไปโดยที่ไม่ได้อะไรแทนที่มันจะ มาเป็นประโยชน์ในแงห้องการดับการเวียนว่ายใจเกิดกับทุกอันนี้ไม่สิ้นจบเนี่ยถ้าไปเกิดในภพภูมิอื่นมันทําไม่ได้นอกจากภพภูมิมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาได้ภพภูมิมนุษย์แล้วทําไมเราจึงไม่ขวนขวายศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังทําเรื่องนี้ให้ให้มันถูกต้องตามความสามารถของเราเรามีความสามารถระดับไหนก็ใช้ความสามารถอย่างสูงสุดเท่าที่มีอยู่ มันจะต้องที่ได้ที่พึ่งระดับใดระดับหนึ่งดับโซดาสกินาคาอาคาหรือพลังงานก็ตามมันจะต้องได้ระดับใดระดับหนึ่งถ้าเราใช้ความสามารถเพราะในภูมิมนุษย์นั้นมีความสามารถที่เขาถึงสภาวะเหล่านี้ได้แต่ส่วนมันเข้าถึงไม่ได้ในเพราะอะไรเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบตัวเองละศรัทธาเราเพียงพอไหมความเพียรเราเพียงพอไหมเมื่อศรัทธาและความเพียรเพียงพอแล้วสติสมริติปัญญามันก็เป็นผล ที่ปรากฏเราจะบอกว่าปัญญาเราไม่ดีสติล้าไม่ดีมันเป็นข้ออ้างเฉยเแต่ศรัทธาและความเพียรมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้อยู่แล้วใครจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ตามมันทำได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าหากศรัทธามันไม่เกิดเพราะอะไรเนี่ยศรัทธานี่มันจะเกิดได้เพราะอะไรตามหลักของวิชาสิปการาเกิดเพราะอาศัยกัลยาณมิตรได้พบผู้รู้ ได้พบผู้เข้าใจได้พบเพื่อนมิสหายผู้เข้าใจเรื่องนี้มาก่อนเรามาบอกเรานั่นศรัทธามันจะเริ่มต้นตรงนั้นเราเกิดเออผู้คนเนี่ยรักจะดีอยู่แล้วรักจะสุขอยู่แล้วไม่มีใครรักทุกข์รักชั่วรักร้ายนะแต่ที่มันชั่วมันร้ายไปก็เพราะทำไม่ถูกทุกคนรักสุขเกลีทุกหมดโดยสันชตัตทยานเพราะนั้นเมื่อมีคนมาเสนออะไรสิ่งดีๆเนี่ยเขาก็รัก ในการเยี่จมทำเพื่อเขาต้องการความสุขนะเมื่อเราเจอกระยะมิตรกระยะมิตรให้อะไรกับเราต้องให้กเกิดปัญญาสามประการถึงจะเกิดศรัทธาหนึ่งต้องได้ยินได้ฟังสองว่ 2, าได้ยินได้ฟังแล้วเราเข้าใจได้สามเราลองเอาไปทําได้เห็นขบวนการว่ามันเป็นไปได้หรือไม่มันก็เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาเพราะมีปัญญานํา อย่างนี้ปั๊บศรัทธาตัวนั้นก็นให้เกิดสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวตระหนักรู้ได้คิดเนี่ยได้คิดว่าเมื่อก่อนเราทําไมไม่รู้เรื่องนี้เราไปอยู่ที่ไหนทาไมเราหลงทางมาน่ะยาวนานแล้วเพิ่งได้ทางเพิ่งได้คิดนี่เรียกว่าสติสัมปฤดีเกิดล ะ, ะเมื่อมีสติสัมปชัญญะเกิดแล้วมันก็เกิดการพิจารณาใคร่ายครวน ในรายละเอียดได้กว้างขวางขึ้นท่านเรียกว่าโยนิสมานาสิการนะเมื่อเกิดโยนิสุมนาและพิจาครณาไขควรพึงเหตุต่างๆมันหนักเพราะอะไรมันเบาเพราะอะไรมันง่วงเพราะอะไรมันเบื่อเพราะอะไรมันคิดเพราะอะไรหาเหตุจนเจอแล้วแก้ไขได้อ่าก็เกิดตัวโยนิสุมนสิกันก็เกิดการระมัดระวัง ในการที่จะรับอะไรเข้ามากับตัวเองเมื่อก่อนมันรับอย่างเดียวและจะปล่อยออกไปมันก็ปล่อยไปอย่างเดียวมันไม่มีการพิจารณาหลักการนี้เขาเรียกว่าอินทรีสังวรรู้จักระมัดระวังตัวเองละว่าเมื่อก่อนเราจะจะพูดยังไงก็พูดได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้มันมีข้อเสียหายเกิดขึ้นเมื่อก่อนเราอยากจะทำยังไงก็ทาก็ได้ไม่ได้เกิดการระมัดระวังเกิดการเลือกสรรเรียกว่าอินทรีสังวร และอ e ีสีสังวรนี้เองมันจะนําไปสู่ความสาหาดกายสาดใจสะอาดวาจาการพูดถูกเกิดขึ้นการทําถูกเกิดขึ้นการคิดถูกเกิดขึ้นอ่าเป็นส่วนใหญ่ละเมื่อก่อนพูดผิดทาผิดคิดผิดเป็นส่วนใหญ่พูดถูกทําถูกคิดถูกเป็นส่วนน้อยแต่พอมรู้หลักการในีน้พูดถูกทําถูกคิดถูกเป็นส่วนมากเกิดขึ้นนั้นมีความพร้อมและที่จะนําไปสู่หลักปฏิบัติตา ม, ตามกฎของสิธิปัฏฐานสี่ เราก็เริ่มมาศึกษาสติปัฏฐาน4แล้วอย่างที่เราทําอยู่ขานานี้เราพัฒนาการมาถึงจุดนี้ณปัจจุบันคือลงมือปฏิบัติสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4เราเข้าใจอยู่ถูกต้องแล้วมันจะต้องเกิดตัวอย่างอธิปัฏฐาน4ี่แล้วที่ใบามาเยอะมาหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดมันก็จะเกิดตัวโพชฌงเจตคือสติปัฏฐานมันจะเปลี่ยนเป็นสติสัมโพชฌง คือแทนที่สติปัฏฐานเป็นเป็นทั้งสมถะครึ่งหนึ่งวิปัสนาเซครึ่งหนึ่งแต่พอไปสติสัมโพชฌงมันเป็นวิปัสนาโดยประการเดียวคือเอาตัวตื่นรู้เป็นหลักไม่ใช่เอาตัวสงบสุขเป็นหลักไม่จจะเอาตัวฌานเป็นหลักแต่เอาตัวตื่นรู้ที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวปัญญาคือสติสัมโพชฌงแล้วตัวปัญญาที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเมื่อได้สติ สัมพุชงแล้วเรียกว่าธรรมวิจยะรู้จักเลือกเฟ้นอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนเป็นตัวง่วอันไหนเป็นตัวตื่นรู้จักเลือกเป็นละอันไหนเป็นตัวเพลินอันไหนเป็นตัวตื่นรู้อันไหนเป็นตัวนิวรอันไหนเป็นตัวกุศลธรรมมันเริ่มเลือกเป็นแล้วเขาเรียกว่าธรรมวิจยะเมื่อเข้าไปเลือกใช้หมดธรรมเป็นเลือกไอ้ส่วนที่เป็นบวกแล้วก็แก้ไขในส่วนที่เป็นโรคออกไปอยู่เสมอก็จะเกิด ความเบาสบายเลือกปีติสำโพธชงความเบาสบายทั้งกายทั้งจิตนี่เองมันก็ขอให้เกิดความลสงับปัจสัมพยังกายยาสังขารังอัตชิสามิติสกติเราทํากายสังขารให้สงบสงับทําจิตตะสังขารให้สงบสงับได้เรียกว่าปัจสถาที่ก่อให้เกิดให้เกิดปัสสถานปีติตัวนั้นสงบสงับแล้วจิตก็ตั้งมั่นณปัจจุบันได้นิ่งได้ชัดเจนแบบ โปร่งเบาไม่เครียดไม่ตึงเป็นตัวสมาธิเป็นสมาสมาธิและสมาสมาธิตัวนี้ได้นิ่งตั้งอยู่นานเมื่อภาษาอะไรต่างๆมากระทบมันก็ไม่วิ่งตามมันไม่ได้ตอบสนองทันทีมันมีการตรวจสอบเห็นสักตว์เห็นได้ยินสักตว์ได้ยินรู้สักตว์รู้เพิ่มขึ้นมีกำลังมากขึ้นตัวสัตวมีกาลังมากขึ้น ไม่ตอบสนองการกระทบทันทีแต่มีการพิจารณาเลือกเลือกรับได้เรียกว่าอุปเปขาสัโพชชงเพราะนั้นเมื่อสัโพุชงพร้อมอย่างนี้อริมักในองแปดก็ปรากฏปรากฏโดยอัตโนมัติเลยนะจิตของเราก็จะดำเนินทาทุกอย่างไปในความถูกต้องทั้งหมดตั้งแต่สมาธิิสมาสังกปะไปเรื่อยๆนะ เมื่ออริมักรมันเป็นทางเดินของจิตแล้วเมื่อก่อนจิตมันไปเดินในในมิชามักไม่มาเดินในสัมมามักจิตไปเดินในอบายภูมิไม่มาเดินในอบายะไม่มาเดินในอริยภูมิไปเกิดในอบายภูมิแต่พอมาชูมิสัมมาทิฐิมันมาเกิดในอริยภูมิเป็นอริยมักอริยภูมิคือมันเดินเลือกเดินทางในทางที่ ประเสรนะิฐในเรื่องทางที่ดีในทางที่ถูกเรียกว่าอาริยภูมิแต่ถ้ามันเลือกจิตมันเลือกเกิดในทางที่เป็นความไม่สบายความไม่ถูกต้องความทุกข์ก็เป็นอบายภูมิมันเลือกเป็นละจากอบายภูมิมาเป็นอริยภูมิเมื่อเป็นอย่างนี้จิตเขาก็ไปสู่การดุดพ้นรู้แจง้งเห็นจริงและวิชาและวิมุตต์โดยอัตโนมัตินี่คือที่ไปที่มาของคําว่า วิชามันจะต้องมีวิชาตามตามวิชานี้มันถึงจะไปถูกนั่นหมายความประการแรกที่หนึ่งประการที่หนึ่งพบกรเรยนามิตรประการที่สองเกิดอยากจะทําเป็นศรัทธาประการที่สามเกิดได้คิดคือสติสัมยาประการที่สี่เกิดความไข้ครวนหาต้นเหตุคืออยู่นิสวงมรรคการประการที่ห้า เมื่อใครควรหาต้นเหตุเราก็ทำอะไรอย่างมัดระวังเรียกวอินซีสังวรประการที่6มันเกิดตัวทำถูกพูดถูกคิดถูกมากขึ้นเรียกว่าสุจริตสารประการที่7ดมันลงมือทำสฏิปัฏฐานสี่เป็นประการที่8ดมันทำโพชงให้ปรากฏประการที่9เกิดวิชาประการที่ส0บเกิดวิมุตขึ้นมา ตามลำดับนเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนของมันไม่ใช่ว่าจะไปมั่วๆไม่ได้ต้องเช็คตัวเองว่าขณะเนี้เราอยู่ระดับเนี้ยแต่ละขั้นตอนได้รู้อยู่ระดับเนี้ยเรามั่นใจแค่ไหนนะดังนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าหลักการของพระเทียนไม่มีอะไรผิดพลาดเลยแต่ที่เรายังรับไม่ได้ไม่เต็มใจไม่เต็มที่เพราะเรายังขาดข้อมูลขาดรายละเอียดทั้งที่เป็นหลักของสมมุติและหลักปริยัต เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ศรัทธาและความเพียรเราก็ยิมั่นคงเข้มแข็งขึ้นเมื่อก่อนเราลังเลในการที่จะนั่งตามรู้การเคลื่อนไหวของกายวาจาใจเราพยายามสะกดกายวาใจาของเราให้สงบให้นิ่งเพราะมันได้รับความสุขเฉพาะหน้าชั่วคราวแต่เรายังไม่ได้รับความสุขที่ละเอียดประณีตกว่านั้นเราก็ต้องใช้ความสุขแบบนั้นเป็นที่พึ่งไปก่อนแต่พอเรามาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเราเริ่มได้รับความสุข ความละเอียดประณีตของความสุขที่มันเสถเียรที่มันคงที่มากขึ้นสถาและความเพียรแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ขวนขวายแล้วก็ขยันทํามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเองสถานและความเพียรต้องเริ่มต้นที่กัลยาณมิตรเรียกว่าวิชาสิ ป, ปการอันได้กล่าวตั้งแต่ต้นว่ามันจะต้องมีหลักวิชาเข้ามาเสริมละแต่ว่าหลักวิชานี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจ ะ, ะไม่สอดคล้องกับสภาวะที่เราสัมผัสได้ ใปัจจุบันนะันั้นในช่งชวงเช้านี้เราเหมือนกับสรุปหลักการทั้งหมดของการปฏิบัติเพราะในวันพรุ่งนี้รายการนี้ก็จะไม่มีเราจะต้องตั้งใจเก็บอารมณ์ในเชา้าตื่นขึ้นมาก็ทำไปเรื่อยๆจนไปถึงตอนเย็นนะแล้วก็ถึงมีการประเมินกันดัง น, นั้นในสิ่งที่กล่าวมาตอนเชา้าคิดว่าน่าจะชัดเจนทุกประเด็นถ้าคุณไหนฟังแล้วเกิด ค, ความสับสนไม่ชัดเจนก็ถามก่อนที่จะจบ ม, มีถ้าไม่มีก็ขออมุทนาสาธุในความตั้งใจในการศึกษ า, าเรียนรู้ตนเองให้เข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นเรื่อยๆสมกับความที่เราเกิดเป็นมนุษย์พพะพุทธศาสนาและได้มาทำวิปัสสนาแล้วก็อันนี้สงอนี้จะทำให้เราเข้าถึงวิชาและวิมุตติได้โดยไม่ยากในชาตินี้ ได้กันทุกคนทุกท่านเถิ